อราบถเดินใช่ไหมใช้ใช้อิริยาบถเดินก่อนสเสด็จไปในที่ประมาณเท่านี้สเสด็จแล้วก็ไปถึงธรรมาสพระองค์ก็ประทับยืนอยู่หน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นอิริยาบทยืนพระองค์ก็ประทับนั่งบนธรรมาส ต, ตั้งหัวค่ําจนถึงเที่ยงคืนอิริยาบทนั่งก็เป็นไปแล้วเมื่ออุบาสกเหล่านั้นกลับไปพระองค์ก็ลงจากธรรมาสสําเร็จสีห์สายาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าใช้สอยในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ในในสถานที่แห่งนั้น ในข้อ172เชื่อว่าสุนีทาและวัสการะแควนมคตจะสร้างเมืองในปาตลิ ค, คามเพื่อป้องกันเจ้าวัชชีทั้งหลายก็สมัยนั้นแลเทวดาเป็นอันมากแบ่งพวกละพันย่อมรักษาพื้นที่ในปาตลิ ค, คามเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่รักษาพื้นที่อยู่ในประเทศใดจิตของราชมหาอมาตของพระราชาผู้มีศักย์ใหญ่ ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาผู้มีศักดิ์ปานกลางรักษาพื้นที่อยู่ในประเทศใดจิตของมหาราชจิตของราชมหาอมาตของพระราชาผู้มีศักดิ์ปานกลางย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาผู้มีศักดิ์ต่ำรักษาพื้นที่อยู่ในประเทศใดจิตของราชมหาอมาต ของพระราชาผู้มีศักดิ์ต่ำย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในประเทศนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเทวดาเหล่านั้นเป็นจำนวนพันพั น, พนรักษาพื้นที่อยู่ในปาตลิคลามด้วยที่ประจักษ์ุก์อันบริสุทธิ์ล่วงจักรุ ข, ของมนุษยใ์ในครั้งนั้นเมื่อปัจจุสมัยแห่งราตรีตั้งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามท่านพระอนริว่าดูก่อนอนอนร์ ใครหนอจะสร้างเมืองในปาตลิคามท่านพระนนทก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาอมาตช่วสุนีทาและวัสการะในแคว้นมคธจะสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันเจ้าวัชชีทั้งหลายพระเจ้าค่าดูก่อนอนน์มหาอมาตช่วสุนีทาและวัสการะในแคว้นมคธจะสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันเจ้าวัชชีทั้งหลาย ประหนึ่งว่าปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงแล้วสร้างเมืองฉะนั้นดูก่อนอานอน์เราได้เห็นเทวดาเป็นจำนวนมากแบ่งเป็นพวกละพันรักษาพื้นที่อยู่ในปาตาลิคามด้วยที่ประจักษุศอันบริสุทธ์ล่วงจากสุ ข, ของมนุษย์ณตำบนนี้นะก็คือเทวดามีศัก์ใหญ่อยู่ที่ใดาราชมหาอำมาตผู้มีศักย์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อจะสร้างที่ตรงนั้น แล้วก็เรียกว่าตามลำดับถ้าผู้ยิ่งเทวดาผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนนะผู้ที่จะสร้างเมืองก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยพื้นที่เขาก็มีแบ่งตามพื้นที่ใครจะรู้เนาะว่าเทวดาเนี่ยจัดแบ่งพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วงานดูก่อนอานอน์เมืองนี้จะเป็นเมืองเลิศที่ประชุมของเหล่ามนุษย์เป็นอริยะและเป็นทางค้าขายเป็นที่แก้ห่อสินค้า แต่ว่าเมืองนี้จะมีอันตรายสามอย่างคือไฟเนี่ยนะบางครั้งก็เกิดไฟไม่เมืองเหมือนกันจะมีบางช่วงก็อันตรายที่เกิดจากน้ําเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้าําคงคาแล้วก็เกิดจากความแตกความสามัคคีเนี่ยนะก็คือแตกกันในการก็คือขาดความสามัคคีและปรองดอง ครั้งนั้นแลมหาอมาติชื่อวสุนีทาและวัศการะในแคว้นมคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัดของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะเสวยในวันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับนิมนต์โดยดุสรียภาพสุริธะและวัสการะเนี่ยเป็นอ მ าดของพระเจ้าอาชาตศัตรูเพรันเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าอยู่บริเวณนั้นจําเป็นต้องนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันไม่งั้นเดี๋ยวพระเจ้าอาชาศัตรูจะถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่แถวนั้นท่านได้ทําบุญไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะก็รู้ว่าพระราชาเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าอ მ าดก็เอาใจด้วยการนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอันนี้ก็เหตุผลหนึ่ง ลำดับนั้นมหาอมหมาชื่อวสุนีทาและวัสการะในแคว้นมคดทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วก็เข้าไปยังที่พักของตนครั้นแล้วก็สั่งให้ตกแต่งขาชินิยะโภชนิยาหารอันประณีตในที่พักของตนแล้วก็กราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญถึงเวลาแล้วพัตทหารเสร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยัง ที่พักของมหาอมาตย์ชื่อวสุนีทาและวัสการะในแคว้นมคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูล่าถวายลําดับนั้นมหาอมาตย์ชื่อวสุนีทะและวัสการะในแคว้น ม, ม, นน ค, นมคตอังค่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยขาธิยะโชนิยารอันประณีตให้อิ่มนําสําราญด้วยมือของตนครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จแล้วชักพระหัตออกจากบาทแล้ว มหาอมาตย์ชื่อวสุนีทะและวัสการะในแคว้นมคตถือเอาอาสนะต่ําแห่งหนึ่งนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุโมทนากับมหาอมาตย์ชื่อวสุนีทะและวัสการะในแคว้นมคตผู้นั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยพระคถาเหล่านี้ว่าบุรุษชาติบัณฑิตย่อมสําเร็จการอยู่ในประเทศใดพึงเชิญท่านผู้มีศีลสํารวมแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นควรอุทิศทักษิณาทานเพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆก็คือเมื่อไปอยู่ที่ใดก็เชิญท่านผู้มีศีล น, นะหรือว่ า, อาให้ท่านผู้มีศีลได้บริโภคอุทิศส่วนบุญให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่นั้นเทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้วย่อมนับถือบูชาบุรุษชาติบัณฑิตนั้น ต่อจากนั้นเทวดาเหล่านั้นย่อมอนุเคราะห์บุุษชาติบัณฑิตนั้นปานประหนึง่งมารดาอนุเคราะห์บุตรบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อผมก็สรรเสริญนะว่าเมื่อเราอยู่ที่ใดควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือยกส่วนบุญเหล่านั้นให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่อยู่ที่นั้นเพราะว่าเทวดาเนี่ยนะเขาก็มีอานาจมาก ถ้าหากว่าเทวดาปกป้องคุ้มครองรักษาเนี่ยนะเราทั้งหลายก็จะมองเห็นช่องทางแห่งความเจริญโดยนัยะต่างๆอันนี้ก็ด้วยเทวานุภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงอนุโมทนาแกมหาอ ม, มาชื่วสุนีทะและวัสการะในแคว้นมคธด้วยพระคถาเหล่านี้แล้วเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปก็สมัยนั้นแลมหาอ ม, มาชืวสุนีทะและวัการะในแคว้นมคธ ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปข้างหลังด้วยตั้งใจไว้ว่าวันนี้พระสมณะโคดมจักเสด็จออกโดยประตูใดประตูนั้นจักชื่อว่าโคตมะประตูนะออกจากเมืองนี้ตรงประตูไหนตั้งชื่อให้เลยจักเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาด้วยท่าใดท่านั้นจักชื่อว่าโคตมะติดทะเรียก ว, ว่าท่าพระโคดมนะปร ะ, ประตูพระโคดมท่าน้าพระโคดมเหมือน ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากเสด็จออกประตูใดประตูนั้นก็เชื่อว่าโคตมะประตูหรือโคดมประตูประตูของพระโคดมนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังแม่น้าําคงคาก็สมัยนั้นแลแม่น้ําคงคาเป็นแม่น้ําเต็มเปี่ยมพอกาดื่มกินได้มนุษย์บางจําพวกก็สแสวงหาเรือมนุษย์บางจําพวกก็แสวงหาพ่วงบางพวกก็หาแพรหรือผูกแพรต้องการจะข้ามไปฝั่งโน้น ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงหายจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏอยู่ที่ฝั่งโน้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู่หรือพึงคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพระโคโดมเลยไม่มีนะชื่อนี้จริงๆอ่ะนะโคตมะติดถะเนี่ยท่าพระโคโดมไม่มีมีแต่เดรธีเนี่ยนะเดรธีก็ติดถะก็คือท่าอื่น่ะนะ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นมนุษย์เหล่านั้นบางพวกสแสวงหาเรือบางพวกสแสวงหาพ่วงบางพวกผูกแผรต้องการจะข้ามไปฝั่งโน้นลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แลจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนเหล่าใดจะข้ามห่วงน้ำคือสงสารและสะคือตัญหาชนเหล่านั้นกระทาสะพานคืออริยมรตไม่แต่ต้องเปือกตมคือกามทั้งหลาย จึงข้ามสถานที่ลุ่มอันเต็มไปด้วยน้ำได้ก็ชนแม้ต้องการจะข้ามน้ำมีประมาณน้อยก็ต้องผูกแพรส่วนพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญาเว้นจากแพรก็ข้ามได้ก็ผู้มีบุญมีฤทธ์นะก็สบายละก็น่าคิดนะว่าใครที่จะข้ามห่วงน้ำคือสังสาระสงสารก็คือขันธาตุอายตนะเนี่ยนะสะคือตันหา ก็ต้องทําสะพานคืออริยมรรคขณะเดียวกันคนที่จะออกจากวัตฏะข้ามตันหาได้นั้นจะต้องไม่คล้องแวะในวัตถุกรรมและกิเลสกามจึงข้ามสถานที่ลุ่มคือสงสารหรือตันหาได้พ่านพระพุทธเจ้ากับพระสาวกท่านก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคจึงถึงความพ้นทุกข์ก็เปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าฝั่งนี้คือโลกียะฝั่งโน้นคือโลกุตระ มีกระแสแห่งแม่น้ําคือตันหาเป็นต้นขวางกัน้นจะต้องอาศัยสะพานคืออริยมรักจึงจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้ันผู้ใดที่เห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายก็จะต้องผูกสะพานคืออริยมรักเนี่ยจะต้องทําสะพานคืออริยมรักจึงจะข้ามออกจากวัฏฏะได้ถ้าไม่มีสะพานคืออริยมรักจะข้ามออกไปได้อย่างไรจะข้ามไปได้อย่างไรกระแสแห่งวัฏฏะนี้อยากคิดว่าออกกันได้ง่ายๆเนี่ย ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะออกง่ายข้อความในอัตกถาอธิบายเฉพาะตอนท้ายว่าเอตมัตถังวิธิตาวาพระองค์ทรงทราบโดยอาการทั้งปวงถึงความที่มหาชนไม่สามารถจะข้ามแม้แต่น้ำในแม่น้ำคงคาเท่านั้นสําหรับพระองค์กับภิกษุสงฆ์ในข้ามห่วงน้ำคือส ง, ส, งสารหรือสังสารวัฏ ทั้งลึกทั้งกว้างยิ่งนักได้แล้วพระองค์ก็เลยแป่งอุทานคิดดูนะมนุษย์ทั้งหลายจะข้ามจากแม้กระทั่งฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นมันยังยากเลยอะ่ะแต่พระองค์กับพระพิสุส่สงข้ามสังสารวัตรได้ทั้งๆ ท, ที่สังสารวัตรนั้นทั้งลึกทั้งกว้างแต่ว่าข้ามออกไปได้คาว่าอันนาวังนี้เป็นชื่อของน้ำที่ลึกและกว้างประมาณโยตหนึ่งเป็นกำหนดอย่างต่ อธิบายไว้ว่าชนเหล่าเหล่าชนผู้ข้ามห่วงน้ำคือสงสารและแม่น้ำคือตันหาทั้งลึกทั้งกว้างสร้างสะพานคืออริยมรคไม่แตะต้องคือไม่จับต้องเปลือกตมคือที่ลุ่มอันเต็มไปด้วยน้ำฝ่ายชนนี้ประสงค์จะข้ามน้ำแม้ประมาณน้อยจึงผูกแพรคือถึงความอยากยิ่งเพื่อที่จะผูกแพรเรียกว่ายากนะ แม้กระทั่งการสร้างแพรเพื่อที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นก็ยังยากเลยไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกชื่อว่าเมธาเนี่ยนะผู้มีปัญญาที่ชื่อว่าเมธาเพราะประกอบด้วยเมธากล่าวคืออริยมรรคยานผู้ที่มีอริยมรรคยานเนี่ยนะถึงจะไม่มีแพรก็ข้ามหรือสามารถที่จะดำรงอยู่ฝั่งโน้นได้ก็หายตัวจากฝั่งนี้ไปปรากฏฝั่งโน้น แต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็แตกต่างกันพระองค์นั้นก็คือฝั่งโน้นคือวิวัตะนั่นเองสามารถที่จะข้ามออกจากวัตตะไปถึงวิวัตะข้ามจากสังสารวัฏถึงพระนิพพานด้วยสะพานคืออริยมรรคทั้งหลายถ้าหากว่าแม่น้าทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้างสะพานขนาดไหนเนาะจึงจะข้ามได้ คนที่เห็นพิษเห็นภยัยเห็นทุกข์เห็นโทษของสังสารวัตรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเพราะสังสารวัตรนี่ใหญ่กว้างลึกยาวฉะนั้นคนที่จะออกข้ามไปได้เนี่ยนะจะต้องสั่งสมบุญเป็นอันมากโดยเฉพาะบุญประเภทวิวัตะเนี่ยนะการให้ทานการรักษาศีล น, นะการเจริญกุศลธรรมอย่างอื่นที่เป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคถ้าหากว่าไม่เจริญไม่สั่งสมบุญที่เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคจนเพียงพอก็ไม่สามารถที่จะข้ามได้หรอก เหมือนอย่างว่าคนที่เกิดมาจนจนไม่มีจะ ด, ดินไม่มีจะใช้เนี่ยนะถึงจะเบื่อหน่ายในความทุกข์ความยากความยากความจนขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าไม่มีความรู้หรือไม่มีงานที่ดีที่เหมาะสมควรนี่อยากคิดว่าจะออกจากความยากจนได้ฉั้นใดผู้ที่ถึงจะรังเกียจภัยในวัดตะขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สั่งสมคุณงามความดีไม่มีบุญกุศลที่เพียงพอก็ยากที่จะข้ามได้เนี่ยนะ โดยเฉพาะกุศลธรรมที่ข้ามออกจากวัตฏานี้ยิ่งใหญ่มากเพระองค์นี้แสดงโพธิปัจจะธรรมไว้สามสิบประการซึ่งโพธิปัขจะธรรมนี่เชื่อว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลหรือธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ถ้าไม่อบรมโพธิปัจจยธรรมทั้ง37ให้บริบูรณ์ก็ยากที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยนะปัญญ์อินสตีตรประธานทั้ง4สัมมประธาน4ี่อิทิบาสีอินทรี่ห้าพละห โพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดโพธิปกักยะธรรมเหล่านี้เราก็มาสอบถามดูว่าในชีวิตที่เป็นจริงของเราเนี่ยเจริญได้แค่ไหนจเจริญได้มากไหม